ตกลงที่ไปซุ่มแล้วว่าเฮ้าจิตั้งลงท่านกลางวันที่ทีเอ็ดตั้งลงข่ า, างกางวันที่ทีเอ็ดพวกข้าวบานในตำบลเฮ้าเนี่ยตะกมาซอยกันพัฒนาทำความสะอาดในวันที่ที่สองหรือวันที่สองปัดกวดถากถางทำความสะอาด แล้วก็กีะจิณีมาทำความสะอาดพัฒนาไปเลยจนถึงชุดสองชุดสามชุี่กุล่ะเริ่มตั้งแต่วันที่ชุทไปมีกระทินีลงท่านเต้นก็ทีมากการประมาณจากวันที่ช0ดชุดที่าล่ะอันนดี้โรลงท่านจะติอัดจะเริมมาตั้งแล้วบางรงกระจิตั้งวันที่ สามปีทุกหาไปเรื่อยเนี่ยคณะที่ตั้งรงท่านนี่มันอกี๊มีผู้มาใส่บริการนี่ดอ ก, ก, กโค้งหนักโคมงง้มปุถิดข้ามาพัฒนาวัดมาทำความสะอาดมาซอยเมียนนั่นเมียนนี่เก็บนั่นเก็บนี่เตรียมชิงเตรียมของน่นเอาก็ะิมาใส่รงท่านยังไฟรงท่านของอุบาสาิกาเพวกน่ะเป็นคูได้ความก็ตั้งก็บเปิดนะครับ เดจำนายกินข้าจะฟ้องกันจำการจำนายกินข้านี่โมแม่จำนายเอาเงินมาจัดตั้ะจำนายเอาบุญแผนไผมาใส่บริการเ่าแล้วมนเทาไดบุญก็ยังค้นไปคือของนี่แหละนเทาเปิดลานใายฟ้องกันผนู่ใดมากคือของเท่าเทาก็ดเงินนาเขาต่บัดนี้แันเทาเปิดรงทางแล้วแันไผมาใส่บริการไผมา รับประทานอาหารมากินเขา่ากินอาหารล้านห้องชอบก็ะไดบุญนี่ไงละ่ะพวกที่บดเทนี่ปัญญาพวกที่มีบุญบา ร, รมีหลายพวกมีท่านบา ร, รมีหลายนั่นแต่สินีความมุ่งคิว่าโอ้ยเอาเข่าปลาอาหารว่าท่านเขาไม่ค้นกิน้มคือบรไดยังเมิดไปเมือ่อไตหราอไฉนเขาคิดว่ามันหนาจิตเป็นว่า ใช้มากินจานนึงเขาเอามาห้หาบาทยิบาททั้งกันหน้าแต่ว่าพวกต่างโลงทาง่านเขาจะมีคั่วมันรู้สึ ก, กว่าเขาได้ได้วยป่ะเนี่ยเขาพ่ดมันได้เป็นบาทยิบบาทเจ้าบาทเขาได้เป็นบุญเขาได้เป็นบุญคือคั่วบ่มเอิกใจคว่วดีใจคว่วเบิกบานใจเนี่ยนั่นเขาได้อันซูมได้แต่เงินยิบบาทเจ้าบาทแต่ก็เบิกบานใจดอก อันเท่าบางร่องเขากับสีมาตังล่ะขามีโล่งใดแน่แโล่งฟลายมีขี้เทากันดูมันขามี่สอ ง, งร่องหาือไมยก็มี่งอเอียงเนาะลูกตาไม่ขี้สุ่มเนี่ยคนสีมาตังวันที่คิดทีเลยที่หาเะตูได้ขามี่มือก็มาตายกันได้มะตอยร่งท่านแต่ในชณะเดียวกันกน ส้างไฟอุบายพิจารกัเมียนมัดอัตทิกุตติที่พักทีเท่าเจ้าของทำพ้นสะอาดเด้ออันนี้อยู่ประ เ, เะท็ดใยหรอกท่านเ็ดเองค้นสะอาดในบริเวณบนรยนกาศเนี่กนย ก, การทำบุญลำลึกหรือลองปูนี่มันได้มันได้หลายนแนวนี่อย่างหนึ่งกับเป็นการลำลึก ถึงหลวงปู่หลวงปู่เป็นผู้ดีผู้ประเสริฐความดีความเพลห น, นกันเข้าคิออดหอาเพลินบรไดเลวมันหอมมันเย็นเลยมันเกิดความเบิกบานใจดีใจเลยได้ซึยังสมัยพันยู่ยังแต่เห็นบอกนั่นแหละแต่ที่มันดนไปเท่าเท่าบริคิดบริจิตหอดเพลินทีนึงเข้ า, าสมารโศกันเลื่องเพลินแต่เหตุหยัง่งเกี่ยวกับเพลิน ใ น, นหลักฐานเท่าในมะฮุ่มกันังที่นั้นเมื่อกลุ่มดูทุตัดเลี่ยนขึ้นมันพอจีบพอจางที่เขาดูตัขึ้นอันพอัทอ น, นี่จะคิดเห็นโอ้หลวงปู่พญายางอยู่วางหน่งชั่า่างอยู่ในมณฑลหนีให้ล้างเทือกพายังมาทางนอกตล่ามาสันเขายุทมีต่กอนเนี่ยมีแผ่นวงหนีบางคนยืนนีแผ่นยืนหีคนกับมานั่งมีในหัวหออา ก, กาศ เ, เป็นยังเดียวนกจคิดเป็นภาพนั่น มันเกิดเกิดพวามผูดซึกว่าซุมเย็นในใจเนี่ยมันเขาคุดถึงหลวงปูมีเบาช้างว่าสามลอยหกิ้หามือเนี่ยถ้าลงพ้นประเด็จคุดจะได้มาคุดเนีม่มีละเนี่ยมโหงกันทาบุญคุดหลวงปูนี่แหละก็เป็นการได้ลํำลึกถึงหลวงปูให้มันชัดเรื่อยการอันไดมันดีๆเนีมันชั ด, ดเรื่อย ปากพูดยืดเลยแมันก็เป็นประโยชน์แกจเห่าอยู่แล้วใจเห่ากับจำบ่ายอันควุมว่าเป็นบุญเ น, น, นึ่ยบ๊วยแม่นว่าอันย่ำพนอยู่จงเป็นบุญได้ขันใจเห่าคือขินมาใจเห่าเบิกบานเห่าฟองใส่ย่ำไดมันเป็นบุญย่ำนั้นแตเนี้ยนี่หละมันก็ได้จะเกิด บ, บุญใจเห่าเองนำ้ำดอกก็ไใด ล, ลํำ ด, ด, ด, ดึกถึงคนการลํำดึกถึงคนดีแต่ดีดีวัวลาดึกถึงคนส่วนวน่า การลำลึกการอเำลึกมีสถิตเข้าล้ำลึกไปทั่วเนี่ยพอแห้งผีหนึ่งข้ามา่างานลงุงปูมาร่วมงานมาคอยงานมาบริการเอียงก่างๆนีน่มันเป็นการลำลึกที่ข้นดีคู่ข้นดีแล้วนี่จังะไรมื่การท่ามให้ข้นดีที่อันนี้มันจัดขึ้นไม่เทาแล้วสามโมกันแล้วเนี่ยมันได้เฮ็ดบุญยังขี้เลย มันอก็เป็นโอกาสดีือละ่ะอาลังคน้นปีนึ่งก็บด้เทพบุญอันใดพ่อเป็นรัฐเป็นแทนก็เป็นกิ่นเป็นอันเป็นตอนทักอันนี้จะได้ไม่เฮ็ดน้ากันหน่อยสิละเป็นโอกาสที่จะฟ้องในข้ามบุญกัจจุบันโดนดอกที่เฮ้าเนี่ยอีกพหลายปีไปแล้วก็ถ้าต่างสายดอกตายนิจากโลกเนี่ยข้ามยูเนี่ยจะเข้าเฮดเอาซะนี่โอกาสในการเฮตปีหนึ่งเฮตเธอนหนึ่งค้นสีมันห่างอยู่เด่น มันห่างอยู่คันพุตีสเตเลสตลาดหลอดขอบคุณเด็กเทพซูมือเด้คือพรท้องคูณซูมือไตบาทจะกคืดเจนนาคุณเด็กนั่นสั้นนี่ละ่ะประการที่สองเขาก็เป็นโอกาสเป็มาทำบุญประการที่สามห้ามานี่มันงจะ ว, ว่ามาพบกันวันวันกูบาอาจารย์เลยทำมาหาจินทั้งคนเ็ แต่ไปคิดคุณคิดพี่ไปยุคุณยุค um พี่ไปยุคักใจพักเนื้อคุนจะนี่กันหอดเนี่มันลงปูกับโมโฮมกันมาเห็นหน้ากันโอ้เจ้ายังอยงดูดีจำบายวะเจ้าอ้วนคุณพี่คุณด้วน่ฮ้เจ mm ้าคิดใจแท้เมื่อใดมาโตอกันพ่อกันพบกันยินดีมันเบิกบานจ้ะไข่เดียวกันพ่อกันอถือเอาโอกาสนี้เป็นการชุ่มนุ่มคณะทฤญยานุตรีน่ยได้ประโยชน์หลายอย่างเหรเนี่ย ประการเมื่ออันธิราชยุทธ์เข้าบกค่อยเลยทัางข่วมสะอาดวัดสะอาดว่าบริเนสะอาดเสนาชนะทิ่พักที่เต่าจะได้โอกาสนี่แหละสํางละเป็นละปีเป็นว่าสํางละใหญ่ทั้งข่วมสะอาดใหญ่ข่วมพร้อมต่างๆทั้งด่านซื่อาทั้งด่านพระปาทั้งด่านค่วมสะอาดทุกคราทิบานเนี่ยนี่แหะ เร่องชุกิชุตตลงที่มันข่างกันเท่เมื่อกี้เรศบาลได้แท่นเป็นการปับปุงงปนใหญ่ีึ่งปักปูงงนใหญ่เธอหนึ่งเนี่ยวัดเท่าพวงเป็นอยู่ม่กี้พ้องท้นขาว่อนข้นอีกนะเนี่ยได้ประโยชน์หลายอย่างบุญลง้งปูเป็นการเป็นการไปห้มลุกติดลุกหาเมื่อ่ะแต่ท่านะนมันแตกไปแตกไปเราเอยบูฮูจับกันด้ว ทะเลมาห้อมกันเรื่อยคือจังข้างโลกเขานีานะ่ยนประเทศนี้ของจีนเนี่ยสีนหนึ่งเขามีเขามีว่าละมึงที่เขาไปห้อมกันเขาเอ่ยมาว่านอย่างโน้นไปร่วมยากนเะ น, น, นี่ยคู่นั่นคู่นี่มาโอ้คูน่นั้นอยู่ไกลโอ้เจา้ามีลูกจกังหลายคนแล้ว เ, ลเอาลูกเอาหลานมาหูจัด ก, กันทําให้เผาพันของเขาเนี่ยสมานจะมาชื่อแล้วก็มีความหมันคล่งเยอะ ของเข้<บ>าุ้กันนั่นแหละขนมุ่มกันนะีหนึ่งีหนึ่งเมื่อไปุมกันเช่นนี้จะเรียกว่าดีอยู่จะเห็นว่าโอ้เจ้ายังยั่งย่นออบรทันตายนอ่ายังสูบลายังดีลาข้ากันตั้งใจเป็นบุญได้อดไก่หอดมือหอดงามมากวันที่เจ็ดเนี่ยคือที่ด้ยินทบาทในวัดเดียว้นที่เจ็ดเนี่ยมือเศ้ายังมือแรงยังสิ่สวนม้น ตังเชตมันตที่แปดจะตบินธบาตในวัดอีกาถวายพัตนาหารเจ้าพระสงฆ์ที่นี่สาวะคูบาอาจารย์อธิมาโฮมอธิเิงจะเย็ดอยนี่ะคิดว่าทีตายมีหกลอยท่าเี๋ยว้าวจะเย็ดอยโอกาสที่พระเจ้าพระสงฆ์ยู่งโฮมกันแบโมเนง่ายๆนี่เดี๋ยวนี้ให้พระหน่อยเขาบางิยมบวชแล้วเดียวนีเขานิยมไปในอื่น ไปให้กิอินเทอร์เน็ตบ่อไปให้กินยังบ่อไปยังกันพอบะนนี้ย่อมบวชเพราะฉะนั้นพักกันน่อยโอกาสที่คนจีนมาโฮมกันเนี่ยโหยากจีลักมันมาโฮมกันแล้วก็เกิดความรู้สึกปราบปุนยินดีแต่พุทธบริษัทมันเป็นบุญคณะที่โอกาสมันเป็นบุญเราจะของห้เฮ็ตบุญได้วไหมผู้ไดเ้เกษตรเมื่็เฮหตุรุลงข้างจะเหตุผู้ได้บริัทนีแหงจีนว่าตั้งเองแต่เมื่อซอยเพื่อนเมือน มะทรายยกนั่นยกนี่นเข้พักกระไดอดอกน้าเจ็บหย่าเป็นหนึ่งมันหกออกไปชิมที่นงกระไดดอกเป็นบุญดอก